ตั้งแต่อายุแค่10ขวบว่ากันว่า IQ ของไอสตายอยู่ในช่วงประมาณ160สถึง180่ส่วนของไซดิสจะเป็น250ถึง300ในขณะที่โลกนี้มีเพียง1ใน100ที่ IQ สูงกว่า135นอกนั้นอยู่ในช่วงประมาณ85ถึง115กันเกือบหมดหลักการวัด IQ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 และบางทีก็เพียงเพื่อให้โลกรู้ว่าคนเราอาจเก่งกาจได้ขนาดไหนเจ้าชายสิทธัตถะก็รอบรู้และแตกฉานสารพัดศาสตร์ตั้งแต่ครั้งส่งพระเยาว์แม้ปฐมฌานอันเป็นสมาธิที่เข้าถึงได้ยากแสนยากพระองค์ก็ฝึกสำเร็จเองตั้งแต่พระชันษาเพิ่งเจ็ดปีที่สำคัญพระองค์เห็นชีวิตด้วยมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น สามารถตั้งคำถามที่สำคัญที่สุดในโลกได้เองแถมตอบคำถามได้เองอีกและเหนือสิ่งอื่นใดคือสามารถประกาศคำตอบสำคัญสูงสุดนั้นออกไปทั่วโลกจึงทำให้พระองค์ถูกจดจำไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและสามารถประกาศความรู้ด้วยการสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นในโลก ชาวพุทธที่เข้าถึงปัญญาแบบพุทธจะรู้ว่าความฉลาดสูงสุดไม่ใช่เลขไอคสูงสุดแต่เป็นการรู้จักโจทย์สำคัญสูงสุดและได้คำตอบเป็นประโยชน์สูงสุดตามรอยบาทพระศาสดากรรมในการให้ทานการให้ทานจะทำให้เราหายโง่ในขั้นพื้นฐานนั่นเพราะอะไร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 เห็นความเย็นดีกว่าความร้อนเห็นการนอนหลับสนิทหรือฝันดีประเสริฐกว่าการนอนดิ้นไปกับฝันร้ายหากประศจากความฉลาดทางจิตแบบนี้แล้วคุณจะมัวคิดถึงแต่คําว่าตาต่อตาฟันต่อฝันค่าได้อย่าไม่ได้ฝ่ายคุณเอาเปรียบได้แต่ไม่มีทางเสียเปรียบใครใจก็ผูกเวีนอยู่ได้แม้ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆตามถนนหนทาง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 คุณเองย่อมฉลาดขึ้นไปอีกแต่หากคุณคิดอยากใหญ่สั่งสอนคนอื่นด้วยอาการยกตนข่มท่านเจรนัยเรื่องทานราวกับผู้มีทานบารมีทั้งที่ยังตรหนีเงินทองหรือยังผูกพยาบาทอาฆาตเก่งอย่างนี้นอกจากไม่ทำให้ฉลาดขึ้นยังกดตัวเองให้โง่หนักเข้าไปอีกข้าที่รู้แล้วไม่ทำน้ำซ้ำ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 ก็อาจต้องรับผลคือเป็นคนหัวช้าเลื่อนลอยจำอะไรไม่ค่อยได้หรือถึงขั้นปัญญาอ่อนมาแต่กำเนิดเลยทีเดียวเป็นไปตามโทษานุโทษอันสมกันกับเหตุที่เคยก่อไว้ 2. เคยลักทรัพย์ทางปัญญาไว้มากตัว อ, อย่างที่จัดแจ้งสุดได้แก่พวกเผาโรงเรียนหรือยักยอกหนังสือที่เขาบริจาค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 แม้ว่าตัวเขาจะล่วงลับจากโลกนี้ไปกว่าสองศตวตรรษแล้วก็ตามคือวอร์ฟกังอมาเดอุสโมสัทกรรมเก่าที่เคยมีคุณูปการต่อแวดวงการดนตรีได้ส่งเขามาเกิดในบ้านที่จะได้รับแรงบันดาลใจอย่างสูงทั้งเห็นพ่อเล่นฮาร์ซิคอร์ดทั้งเห็นพี่สาวเล่นคลาเวียได้เก่งและทั้งมีความสามารถจดจาเสียงดนตรีได้แม่นยา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 ตลึงฟังตาค้างได้ขณะที่อายุเพิ่งหกขวบเท่านั้นโมซา์ Mozart, มีคนูประการต่อโลกดนตรีเพียงใดทุกคนเห็นชัดเขาสร้างดนตรีที่โลกไม่ลืมและนักประวัติศาสตร์ทางดนตรีหลายคนก็เชื่อว่าโมซา์เป็นคนสอนวิธีประพันธ์ดนตรีให้กับเบโตกเฟนผู้เป็นขีตากวีชื่อก้องโลกอีกคนหนึ่งนับว่าครบองค์คือ